50 languages. 9ประโยคคำสั่งหนึ่งอาสจกคุณขี้เกียจเหลือเกินอย่าขี้เกียจนักเลยตุสิกินเนอลซีโฮ อีนเนออังเบคุณนอนนานเหลือเกินอย่านอนดึกทุสิคิาสเดี๋ยวอีน่าสอยานาครัคุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกินอย่ากลับบ้านดึกทุสเดลอนเดี๋อเดนนลนาอครคุณหัวเราะดังเหลือเกินอย่าหัวเราะดังนักสิ ุสิกินนาอุาัสเดินนาอุจานาัสกโร่คุณพูดเสียงเบาเหลือเกินอย่าพูดเบานักสิทุสิกินน้ฮลบลเดี๋ยินนฮลีนาบลกโรคุณดื म म ่มมากเกินไปอย่าดื म म ่มมากนักสิทุสิกินนี่ินเดี๋อินนีนาปียากรโร คุณสูบบุหรี่มากเกินไปแล้วอย่าสูบบุหรี่มากนักเลยทุสิกินนี่ซิกาคุณทำงานมากเกินไปอย่าทำงานมากเกินไปคุณขับเร็วเหลือเกินอย่าขับเร็วนักเลย อยุ่ซี่รถเกคันนี้เต็มชัลนโขเอ็นีเนัลลครลุกขึ้นค่ะคุณมิลเลอร์้นเลอร์เชิญนั่งค่ะคุณมิลเลอร์เต้นชรีมิลเลนั่งต่อค่ะคุณมิวเลอร์รเลอรใจเย็นๆนะคะ โฮสลารักโฮมีเวลาไม่ต้องรีบชานทร์รักโฮรอสักครู่นะคะเอกเซกันด์รักระวังนะคะสัมเบลเกครุณามาให้ตรงเวลานะคะสมเด็ปาบันรโห อย่าโง่มุรงขนาบนน